วัดหลวงพ่อไม่มีแจกซองนะจำไว้นะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องตกใจพอซองมาเนี่ยเราไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไไปอย่างเสียไม่ได้เยได้บุญเล็กๆเพราะฉะนั้นกุศลใดนี่นะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จูงใจโน้มน้าวให้เกิดมีกำลังกลา้าจิตซึ่งจะใช้ทรมิปัสสนานี่ต้องเป็นจิตที่มีกุศลกลา้าเพราะฉะนั้นสติต้องเกิดเอง